أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا قد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. من بعد الذكر أن الأرض يريثها عباد ي الصالحون، إن في هذا لبلاغ لقوم عبدي، إن في هذا لبلاغ لقوم عبدي. و م ا أ ر س ل ن ا ك إلَّا ر ح م ة ل ل ع ا ل م ي ن قُل إ ن م ا ق ل ن م ي و ح ى َ إ م ق ل ن م ا ي ُ ح ا ل ي ن م ا นั่นไม่ใช่พร ن เจ้าของคุณพระเจ้าองค์เดียวแล้วคุณเป็นมุสลิมหรือไม่ และว่าแล้วฟังแَ و วทุกข์ ر าแลَ้ถ้าว่าแล้วถ إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم وإن أدري لعله فتنة لكم ومتع إلى حين. قال ربكم بالحق. قال ربكم بالحق. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. อัลลอฮ ر ح ราะห์มานุรรหีมอินัลฮะมดุลลอฮ์นัชฮามดุห์ ونسناعنه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أ لا إله إلا الله و د ه ش ي ك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم ب m m a bika asbahna و bika س m s a y َ a و b i ن a nahya و bika n و m u t ل wa ilaikan nushur أعوذ بكلمات الله تامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ووسميع العليم ر ض ي د بالله رب و بالإسلام دينا و بمحمد الرسول ا ل l a, u a, a ah uh. oh, h u m m a inni a'uzu bika min al-kasal f ربي أ ع و ذ ب ك م ن ع ذ ا ب ف ي ا ل ن ا ر و ع ذ ا ب ف ي ا ل ق ب ر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ในน้องที่ร่วมนมารสุบหรือนมัสุบหรือนมารฟ ajar ที่รักทั้งหลายครับ الحمد لله เราขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานาฮูวาตาลาที่อัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตอยู่ในเดือนอันประเสริฐนะครับในเดือนรอมฎอนวันนี้เราอยู่ในช่วงสุดท้ายนะครับของเดือนรอมฎอนช่วงสุดท้ายนี่มีอยู่สิบวันนะครับท่านอบดสั่งให้เราสแสวงหาในช่วงคืนสิบท้ายคืนสุดท้ายเนี่ย โดยการทำความดีเรียกว่าอามันทิซอแหละสิบคืนสุดท้ายนี่ธนบีเน้นว่าคืนเลขขี้วันนี้เท่าไหร่คำยี่สิบยี่ห้าหรืยี่หกยี่ห้านี่ก็ขี้ใช่ไหมมีคนโทรศัพท์มาจากฮอลแลนด์เมื่อคืนนี่เป็นคนอาหรับรู้จักกันมานานแล้ว เขบอกว่าบวชปีนี้29วันวันศุกร์คงออกบวชพร้อมๆกันทั่วโลกฮัมจุลิลลาฮัมุลิลลาอะพี่น้องเราเราบางกลุ่มใช้ชีวิตอยู่ในที่มัสยิดของ Allah ในการอยัติกาฟอันนี้เป็นเรื่องดีมากนะครับอัลฮัมจุลิลลาทีนี้กลางคืนของคืนเนี่ยของคืน สิคืนสุดท้ายเนี่ยพี่น้องโดยการอ่านกุรานซิกรุละละไลโอตุลกอ ด, ดรีเนี่ยมีคนถามผมเยอะถ้าเรานอนในคืนไลโอตุลกอ ด, ดรีต่าวันละมาเปล่าคนละมาได้หล่ะตอ น, นี้มันไม่ได้ละมาทั้งคืนหรอกเราก็ตต้องนอนพักไอ้ตอนนอนเนี่ยมันเกิดไลโอตุลกอ ด, ดรีจะทำไง คุณถามก็ดูกุรอานสิไลลาตุลกัดเดรีคอยรูมินอัลฟิชฮารีคืนไลลาตุลกัดเดรีมันตลอดทั้งคืนนะมันใช่บีแป๊บเดียวไลลาตุลกัดเดรีกลางคืนมันเข้าตอนช่วงไหนอ่ะพอตะวันตกดินก็เข้าวันคืนไหมใช่มั้ยนั่นแหละอิลฟัตเดรีจนกว่าดวงดวงนั้นพระยดจะขึ้นอนะ่ะตลอดทั้งคืนนะ ท่านเราได้ได้นามาตนะครับหาเรอกอาก็อัดหกเรอกอา ก, รอกอา็ก อ, กอัดพืชศิลปเราก็อัดอะไรก็ตามเลยเนาะพลเรือได้อยู่แล้วถือในช่วงดึกๆึกตั้งแต่ที่ทีสามถึงตีสี 3, ่ 4, ล้วนอนแค่สามสี่ชั่วโมงอาการนอนของเราก็พอก่อ น, นอนแล้วก็นมาต์นามาแค่สองเราก็อัดพอจะตื่นนอนนั่นละมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺทั้งหมดเลยอัลฮัมดุลิลและคําว่า กลางคืนไลาตุลกอดิรีตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกจนกว่ารุ่งอรุณจะขึ้นตลอดทั้งคืนนะไม่ใช่มีอยู่แป๊บเดียวทั้งคืนเลยคุณอ่านว่าไงนะอีกาะซูลซิลาติลอะรุดูซิลซาลาไม่ใช่อะไรนะไลาตุลกอดิจารีขายรุมมินอัลเฟชะ ت نزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أم س ل م هي حتى مطلع الفجر ตั้งแต่กงคืนเรื่อยมาจนกระทั่งถึงฟ้ายขึ้นนี่ตัวนี้ั้งหาคืนนี้เป็นคืนไรแล้วก็อยู่ในช่วงก็ดั้อยู่เนี่ยนะครับโยแล้วการขอดนูอาของเรากระอานกรอ่านซิครุ่นละมีรางวัลตอบแทนจากลอตทั้งหมด อย่าลืมกี่ปีนะแปดสิบสามปีกับกี่วันนะทำอยู่ลิน่ล้วก็ขออนะอานต์รอให้เราได้พบกับคืนไล่เราตุลกดอนเถขอบคุณนะลอเราได้ทบทวนกุณอ่านวันนี้สเราอัลอมบิยะมาจบแล้วอายะที่แล้วนะพี่น้องในอ่านพี่น้องอ่านบ่อยๆนะอายะที่หนึ่งยสี่เนี่ย วันนี้มาอายาถึงหนึ่งร้อยห้าหนึ่งร้ยสี่ต้องอ่านต้องอ่านทวนดูสิเยาวมานาตวิษมาวันซึ่งเราจะม้วนนาตวีแปลว่าเราม้วนอัสมาแปลว่าชั้นฟ้าหรือว่าเวหาเก่าปอยยิสเิจิลีเิจิลลิลกุตุเหมือนการม้วนของแผ่นกระดาษ สำหรับเอาไว้เขียนนี่คุณอ่านเล่าให้เราฟังแบบง่ายๆเพราะกระดาษมันมีอยู่สองชนิดใช่ไหมกระดาษใหญ่ๆม่วนก็ไม่ไหวใช่ไหมนี่มันอัลลอฮฺบันทึกว่าไงนะอัสซิจิลลิลิลุตเหมือนกับแผ่นกระดาษที่ท่านเขียนน่ะกระดาษแผ่นนี้ที่ท่านภาพได้เขียนได้เนี่ยอธิบายยังไงอะ่ะต้องการจะบอกให้เรารู้ว่า โลกดุนยาใบนี้เนี่ยชั้นฟ้าเนี่ยนะอลัลลอห์จะเอาชั้นฟ้ามาเหมือนเราหยิบกระดาษเลยแสดงว่าโลกใบนี้อลัลลอ์จะจัดการให้หมดอายุนะได้ไม้มได้ง่ายหรือยากง่ายเหมือนเราหยิบอะไรหยิบกระดาษเอามาเอามาพับเอามาม้วนเหมือนกันพอ น, นึกตรงนี้อลัลลอฮฺอักุรร ต้องจำได้ไม่ว่านาบีเคยสอนบอกว่าเมืเอ่ออัลลอ์สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินสร้างสรพรพสิ่งทั้งหมดในโลกนี้อลัลลอ์ตีราคาโลกใบนี้นะพอสร้างเสร็จตีราคาถ้าหาวันโลกใบนี้มีค่าเท่ากับปีกอะไรปีกยุ่งฉันไม่อนุญาตให้คนที่ไม่เอาฉันนี่นะคนกาเฟสเนี่ยดื่มน้ำแม้จกสักอึกดื่มกันไม่ยอมให้ แสดงบนโลกดุนยาใบนี้ที่เราสร้างมาเนี่ยไม่มีค่าเลยนะอัลทั้งดูแลเป็นทั้งเห็นนะยังครับฉะนั้นโลกใบนี้หมดอายุไมมหมดแน่ๆครับหมดแบบไหนก็ดูคุรานดิยาวมานอตวิสมากลตอยยิสกอยยิสิลลิลกุตุอสซลนี่แปลว่าแผ่นกระดาษอกุตุปแปลว่าสำหรับเอาไว้เขียน ชั้นฟ้านี่ไม่ต่างอะไรกับแผ่นกระดาษสำหรับอัลลอฮ์นะอัลฮัมดุลิลละแสดงว่าหมดอายุไหมหมดครับแล้วก็อเลาก็จะสร้างชั้นฟ้าใหม่ที่สร้างใหม่นะ่ะง่ายหรือยากอีตอนครั้งแรกนะมันยากครั้งใหม่จะไม่ยากอะไรละถ้าก็มาสร้างร้อยเก่าอรออัลบาตเนี่ถึงความยิ่งใหญ่ของใครของอัลลอฮ์สุบฮานาบูวาตาล้เอาวันนี้มาดูอายาที่หนึ่งร้อยห้าครับ ว่าแล้วก็ไดِ ي ล่าวทับนาฟิซะบุริมิมบัดิลิกรี أنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ ว่าแَ้วก็ไดِ ي ล่าวทับนาฟ أن الأرض يرزها عباد الصالحين ท่านอยู่นล่แหะอัอฮฺอนยานีสบายใจเอามาดูสับครับวะละก็เด็กกาตาบนากะตาบ้าเนี่ยเดิมแปลว่าเขียนบันทึกแต่ตรงนี้แปลว่าอัลลอฮฺได้บันทึกได้กำหนดได้บันทึกฟิซซาบูลในคำพี ซาบูร์คพีซาบูรเนี่ยอัลล์ให้กับใครตํานึกประวัติศาสตร์แล้วให้กับนบีดาวูดอะลัยฮสสลามแต่อลฮ์มาหลายท่านเช่นอับดุลลา์อิบนอับบาสท่านอธิบายว่าอัซิกอัซบูมิบดิซิกรวะลาดตบนาฟิซบูรมิบดิซิกร ซาบูตก็คือคำพีซาบูต ท, ที่ถูกประทานให้กับนบีดาวูดคําว่าซาบูตเนี่นะครับบางคนอธิบายความหมายอย่างนี้ซาบูตหมายถึงคำภี์ทุกเล่มคำพีทุกเล่มที่มาจากอัลลอฮ์เรียกว่าซาบูตหมดไม่ใช่ซาบูต ท, ที่ประทานให้กับนบีดาวูดเล่มเดียวไม่ใช่อธิบายยังไงนะ ทั้งหมดที่มาจากชันฝามีอะไรบ้างอ่ะคำพีอะไรนะซาบูตแล้วก็อินจิลตาวรดแล้วก็คุรานสีเล่มเนี่ยนะครับอุลมามะบางท่านอธิบายคําว่าซาบูตหมายถึงคำภีร์ทุกเล่มที่มาจากชันฝาไม่ได้หมายความว่าเฉพาะซาบูตที่อัลลอฮฺประทานให้กับนบีดาวูดเท่านั้น อธิบายต่อไปอีกมิมบาเดซิคีอันซิคีแปลว่าข้อตักเตือนหลังจากข้อตักเตือนหลังจากข้อตักเตือนอธิบายยังไงอธิบายอย่างนี้โดยแน่นอนยิ่งเราได้บันทึกไว้นในคอมภีวเตอร์บูทหลังจากข้อตักเตือนได้ประตู ป, ประทานลงมา คำว่าวกค์รุ่เนเี่แปลว่าข้อตักเตือนอุลลอฮ์มอธิบายอย่างงี้หมายถึงเราให้มะฟูซเราให้มะฟูซ ah อธิบายยังไงข้างบนนี้มีอะไรนะมีแผ่นจารึกก่อนที่กุรอานจะถูกประทานลงมาเนี่ยกุรอานอยู่ในแผ่นจารึกอยู่ใน ah เราหุนมะฟูซุน ah เราหุนแปลว่าแผ่นมะฟูซุนแปลว่า ปลกรักษาเอาไว้พระคุณอ่านต้นฉบับอยู่ในเล่าอุมะฟูซนั่นนะครับที่ถูกประทานลงมานี่คือเอามาจากต้นฉบับเดิมนั่นแหละต้องการจะอธิบายว่าหลังจากอัลลอฮ์ได้บันทึกไว้ในเลา่าอุมะฟูซอัลลอฮ์ก็บันทึกอยู่ในคัมภีร์ทุกเล่มนะครับจะเป็นซาบูตจะเป็นอินยีนจะเป็นเตารอนจะเป็นกุณอานบันทึกไวอยังไง อันนลอาร์รอยาริสุฮาอันนลอาร์อแผ่นดินนี้คําว่าแผ่นดินนี้มีสองความหมายความหมายหนึ่งแผ่นดินที่อยู่ในสวนสวรรค์กับแผ่นดินในโลกดุนยาใบนี้แต่ตรงนี้อัลลอฮอธิบายส่วนใหญ่ว่าอันนลอาร์อแผ่นดินที่อยู่ในสวนสวรรค์ไม่ใช่แผ่นดินที่ ที่เราเดินอยู่ตรงนี้ไม่ใช่แผ่นดินที่อัลลอฮ์บันทึกวันในคัมภีร์กุณอ่านและคัมภีร์อึดหลายๆเล่มและที่เราพิมพ์าฟูสด้วยอธิบายยังไงแผ่นดินที่อยู่ในสวนสวรรค์อัลลอฮฺอัลกุ๊บะด์ทำให้เราสบายใจนะตกลงว่าที่อยู่ในสวนสวรรค์ของพวกเรานะ่ยมีชื่ออยู่แล้วแล้วก็ที่อยู่ในนรกมีไหมก็มีด้วยเหมือนกันไปน้อง ที่อยู่ของเราในสวนสวรรค์มีไหมมีที่อยู่ของเราในนรกมีไหมมีแต่ตรงนี้เล่าเฉพาะที่อยู่ในสวนสวรรค์อย่างเดียวอันนลอาลุบัยริสุฮาแท้จริงอะไรนะแผ่นดินที่อยู่ในสวนสวรรค์นั่นอัลลอห์มอบให้ครับยาริสุฮาเป็นผู้สืบทอดอัลลอฮ์อักบเป็นผู้สืบมาดก คนที่จะอยู่ในในสวนสวรรค์ได้นะ่ะอัลลอฮ์กำหนดแล้วมีใครอิบาดีบ่าวของฉัน อ, สสอลัลซอเลฮูนที่เป็นคนซอเลสบายใจพี่น้องสบายใจเลยนะถ้าเราเป็นคนซอเละอย่าลืมว่ามีอยู่สกลุ่มนะหนึ่งบรรดาอัมบิยะทั้งหมดซูฮดะทั้งหมดคนที่ตายชหิตทั้งหมด พวกสิน ด, ดีกินคนที่ยืนหยัดอยู่กับศาสนาอิสลามแล้วก็คนซอลเลห์ทั้งหมดสี่กลุ่มนี้นะอัลลอฮ์ได้กำหนดที่อยู่ของเขาไว้ไหนสวนสวรรค์เรียกว่าอารดุลฟิลจจนนะแผ่นดินที่อยู่ในสวนสวรรค์สบายใจไหมพี่นอ้องอ่จาจะนั้นถือบวชธรรมดานามาตะฮัดยุทธรรมดาช่วยได้พี่น้องนามาได้ไหมได้ อ่านก็อ่านได้ไหมได้ยึกรุลลอดได้ไหมได้เพราะเรามีหวังเวลาจน ไ, ได้ที่อยู่ของเราในสวนสวรรค์คำว่าอัดุลที่เนี่ยมนจะโลกดุงยาไปนี้นะอัดุลหมายถึงที่ดินไหนสวนสวรรค์และโดยแน่นอนยิ่งเราได้บันทึกไว้ในคำพีซาบูร คำว่าซาบูนอธิบายยังไงนะคมภีร์ทุกเล่มที่มาจากสวนสวรรค์ไม่ใช่ใช่ค่ะคำพีทุกเล่มถือมาจากอัลลอฮ์นี่แะมีอะไรบ้างซาบูตอินยีนแล้วก็เตารอนกุรอานอัลลอฮ์เล่าว่าในคัมภีร์กุรอานไลน์ในคัมภีร์เตารอนอินยินซาบูตและเล่าในนังสืมาลฟูดไว้แล้วว่าอัลลอฮ์ได้กำหนดแผ่นดินในสวนสวรรค์นั้นไว้สําหรับคนที่ซอละเท่านั้น ทำดูลยละตัวโรงแรมไมต้งไม่ต้องไปซื้อที่นี่แล้วนะถ้าเข้าสว์แ ล, ล้วเราจัดที่ให้แล้วเรียบร้อยเลยอะไรทำดูเลยละผมพบกับใครคนหนึ่งว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมาจากอเมริกาน้องด็อกเตอร์ไม่ใช่ไม่ใช่อีกคนหนึ่งด็อกเตอร์ที่เป็นอาหารฮัลลาดฮัาลาดพูดน่ะด็เตอรวินยัยเขาบอกอยู่ในอเมริกาเครียดอยู่เรื่องเดียว ตายแล้วไม่มีที่ฝังเครียดอยู่เรื่องเดียวอย่างเดินอทำโดยละอยู่ได้เครียดมากเลยจะฝังที่ไหนอ่ะเพราะที่นั่นจะซื้อกูโบต้องจ่ายสตังค์แพงด้วยโอโ้โหที่เมืองไทยเนี่ยอัลลอฮ์ที่ฝังมันเยอะเหลือเกินทำโดยละพี่น้องเนี่แผ่นดินในสวนสวรรค์มีไว้อลัลลอฮ์เตรียงไว้แล้วเนี่ยสําหรับใครนะสําหรับคนที่สอยแล้วตอนนั้นถึงนึกถึงเนี่ย คนที่นอนตาอยู่ในกุโบนี่พี่น้องคนที่เสียใจมากที่สุดก็คือคนไม่เอ า, าศาสนาอัลลอฮ์ให้เห็นที่อยู่ในสวนสวรรค์พอเห็นที่อยู่ปั๊บมาเลกาบอกว่าคุณไม่ได้อัลลอฮ์เสียใจไหมแล้วก็ให้ที่อยู่ในนรกนี่ของคุณไอ้ น, นี่ไม่ได้อันนี้ได้อันนี้เครียดไหม ทั้งตนกว่าจะฟื้นคืนชีพมานอนอยู่ในกูบูเนี่ยพี่น้องนึกภาพไปดีนะให้เห็นสวน ส, วนสวรรค์โอ้โหน่าอยู่นะดูเล ย, สยละะเสร็จล้วมรรยาวก็บอกว่าท่านไม่มีสิทธินะ์เพราะกูอานอาย่านี้กูอานอาย่านี้อธิบายเลยนะเฉพาะคนที่ซอลเล็คตอนนั้นคนดีตอนนั้นคนชั่วไม่มีสิทธิ์อยู่ในสวน ส, วนสวรรค์ของอัลลอฮ์สุภาน้าฮุบตาละอัลฮัมดุลิลละพี่น้อง อลัลนี่อิสลามนี่ผูกพันกับชีวิตของเราจริงๆพี่น้องสรุปง่ายๆนะคนที่ทำอามันติซอลได้บนดุญญานีเอาแค่ห้าห้ารายการพอนามาทุกชนิดอยู่บนศรีรษะเฝ้าเราอยู่ในกุโบการถือสินอดอยู่ขวามือจ่ายอากาศอยู่ซ้ายมือทำดีกับครอบครัวทำดีกับญาติพี่น้อง ทำสอดอกก็แล้ว ก, ก็การเดินมามาสัสิดเป็นความดีที่รวมกันอยู่ทางเท้าหมดเลยครับการอ่านกุรานี่เป็นความดีที่มายืนหยุ่ข้างหน้าเรามีอยู่ห้ารายการใช่มหนึ่งศีรษะสองขวามือ 3, สามซ้ายมือสี่ที่ไหนเทา้าห้าข้างหน้าความดีที่เราสะสมบนโลกดุนยานี้เอาไปใช้หลังตายได้หมดเลยแต่ถ้าหากว่าห้ารายการนี้ไม่มี เห็นภาพสวรรค์มาลลกาบอกว่าที่อยู่ของคุณตรงนี้คุณไม่มีสิทธิ์อยู่นะแล้วก็เห็นภาพนารกเครียดตั้งแต่วันแรกที่ตายนอนจุนให้กูโบสนุกเลยเป็นต้นขึ้นขออุาตต่อรอดนะครับให้เราตายในสภาพที่มีอีมานดีกว่านะห้ามดุลิเละเป น, นอนทัหลายครับก็ห้ามดุลิเละที่นี้โลกดุญยาใบนี้อัลลอ์มอบให้ใคร อาณาจัดที่อยู่ในสวนสวรรค์นี่แล้วอัลดุลจันนะอัลบุดดุลดยานี่ให้ใครก็ดูกุรานะครับอินนัลอัลลอลิลลาห์แผ่นดินนี้เป็นของอัลลอ์ยูริสุฮาอัลลอ์จะให้ใครมาสืบทอดมรดกให้คุมดูคุมคุมโลกใบนี้เนะี่ยคุมแผ่นดินนี้นี่นายเป็น้องไมยะชะแก่ผู้ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ มิในาบาดิฮิจากเบาวของพระองค์ใช่ไหมแสดงว่าโลกดุนยาไปนี้นะเนี่ยอัลลอฮ์ให้ใครปรกครองประเทศไทยก็ได้ให้ใครปรกครองพม่าก็ได้ที่เราแยกแย ก, แยกนะเป็นประเทศประเทศทเดียวอัลลอฮ์จะให้ใครเป็นใหญ่ในแผ่นดินนั้นตกก็ได้ไม่จะกําหนดเฉพาะคนที่ซอนแล้อย่างเดียวแต่แผ่นดินในสวนสวรรค์นั้นเฉพาะคนที่ซอนแล้เท่านั้นอยู่บนดุนยานี้อลัลลอฮ์ไม่ไจะจํากัดว่าต้องเป็นคนซ้อนแล ละอัลลอฮ์ก็อธิบายต่อไปอีกว่าถ้าเป็นคนซอละคนที่มีอีมานมีาศาสนาปกครองสิประเทศนั้นจะมีบราระกัดมากเลยอ่าแผ่นดินที่นบีมูซา ป, ปกครองเจะเดินไหมอัลลอฮฺอักบาแผ่นดินที่นบีปกครองอย่าง ม, มักกะมัจจุบันเนี่ยเป็นไงครับหน้าอยู่ไปดูสิภาพเดินต่อว่าคนายิงเดืนนอยนามอตเนี่ยอัลลอฮ์มีแต่คนทางนั้นเห็นไหม น่าอยู่ไหมน่าอยู่นั่นชี้ให้เห็นนะ่ะเห็นอย่างอ้ามยูประเทศอเมริกาลาสเวสกัสอะไรต่างๆนี่เมาก็น่าดูใช่ไหมจินาการพ น, นันเต็มไปหมดในอเมริกาในเดลี ก, ก็เหมันกันเนี่ยในกรุงเทพเราเนี่ยเป็นไงอะอะไรนะที่ฝรั่งอยู่เยอะเขาเรียกอะไรตึกข้าวอะไรข้าวสารนี่แหละน่าอยู่ไหมล่ะล้วเข้าไปแล้วก็มึนนั่นล้ออาคุบะ ให้เห็นให้เราสังเกตดูอ๋อโลกดุนยาไปนี่เอาล่ะเนี่ยถ้ามีราคาเท่ากับเปิี่ยยุงนะตายหมดแล้วนะครับอ้าวต่อมาอายาที่อายาที่หน<ม>ึ่งร้อยหกอินฟนีฮาซาลาบะลาอลลิทาวมินอาบิดีน อินน์ฟีฮา ذا เลบ لاغللقومنعابدين อัลฮัมดุลิลลาอายะนนี้คุรานอ้ายะนนี้ต้องการจะอธิบายว่าคุรานทั้งเล่มที่อัลลอะประทานให้มาเนี่นะพอแล้วที่จะเป็นทางนำกับเราที่จะไปพบอัลลอฮจะเป็นคนดีเนี่ยนะพี่น้อง จะเป็นคนที่เอาล้อพึงพอใจท่าอ่านกุณอ่านเล่มนี้เล่มเดียวพอไหมพอครับไม่ต้องการจะอธิบายอย่างนี้คุณอ่านเล่มนี้เล่มเดียวน่ะพอแล้วที่จะเป็นเบาที่ดีของอัลลอฮ์อธิบายอินนาฟีฮาจาอินน่าแปลว่าแท้จริงฟีฮาจาในกุณอ่านเล่มนี้ฮาจาหมายถึงฮาดล์คุณอ่านกุณอ่านเล่มนี้น่ะนะครับ ลาลากอนลา巴拉กมีสองสองความหมายหนึ่งแปลว่ามีสาระบ巴ลาแปลว่าพอเพียงพอเพียงแล้วมีสาระมีความรู้พอเพียงแล้วพอไม่พอแล้วลาลากอนแปลว่ามีสาระแล้วก็พอเพียงแล้วนี่อัลลอฮฺบอกในคัภีรอุลาเลยว่าเล่มนี้เล่มเดียวนะ巴拉พอแล้วเล่มนี้เล่มเดียว มีสาระพอแล้วไม่ต้องไปหาเล่มอื่นแล้วเห่นไหมเอาคุรานเล่มเดียวนี่แหละอ่านให้เข้าใจอธิบายให้เข้าใจอ่านตัฟซีของอุลามะให้เข้าใจพอไหมพอแล้วแล้วก็เรียนฮะดีสมาอธิบายกุรานพอแล้วพอแล้วฮะดีสก็เก้ก็เยอะฮะดีสดอีฟ์ก็เยอะ ไทยให้มาแ้วยิวมันยัดเยียดไทยมาอ่ามุสลิมมาไปอ่ามุสลิมมาไปมันต้องการจะให้เรานี่มีปัญหาเยอะี่นอนฉะนั้นอญญายานนี้นะก็ต้องการจะบอกว่าอ่านกุรานเข้าใจกุรานเล่มเดียวพอไหมพอแล้วอินนฟิฮะザแท้จริงอัลกุรานนี้ลาบะลาฮอนแปลว่ามีสาระเป็นทางนำ เป็นที่พอเพียงลีเกามินอาบิดีนสำหรับเกามินบว่าหมู่ชนอาบิดีนผู้เคารพพักดีอัลลอฮ์สุบฮานาูตาลาถ้าต้องการจากพักดีต่ออัลลอ์เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอ์ศึกษาอัลกุรอานเล่มนี้เล่มเดียวพอไหมพอแล้วทีนี้ข้อผิดพลาดของพวกเราก็มีอยู่เรื่องหนึ่งแล้วชอบอ่านคุรอาน ฟังเสียงใช่ ไ, ไหมไม่ใช่ฟังเสียงอย่างเดียวอัลลอฮ์็น <c oughs> ่ไหมอ่าน เ, เรื่องตัวีวนะิตเนี่ยพวกเราเก่งมากเลยอ่านตัวอินไม่ชัดนี่ต้องอ่านอนามตาอ๋อไปอ่านอนามว่าเบาๆนี่ไม่ค่อยพอใจอัานหนามตาอะไรขึ้นเน้นในเรื่องเสียงนะ่ะได้ไหมได้แต่ที่หนักกว่าเสียงก็คือต้องรู้ความหมาย นี่ถ้ารู้ความหมายนี่นะอัลลอฮฺอักบะรีสังงานงามมุลมมัดอลเละนามาคุชวะอิหมามอ่านแต่เสียงดีดีด้วยรู้ความหมายอัลลอฮฺไม่อยากจะรู้กลัวเลยอ่านฟังเพลินพราแปลไม่ได้ถ้าเสียงไม่พ่อในลำคาญใช่ไม่ใช่มึงอ่านยากแล้วบางแห่งกระทึมัสดินแล้วตึง <laughs> มึงรู้กลัวได้แล้ว นี่เพราะอ่านไม่รู้ความหมายเพราะวันนี้เราเปลี่ยนใหม่นะครับอ่านรู้ความหมายพระอละรัลกุรอานเราสัญญาว่าไงนะอินนฟีฮัดะแท้จริงอลัลกุรอานเล่ม น, นี้นะบาราอัพอแล้วมีสาระมีความรู้ลิกาอมินแก่มูชนที่อาบิดีนเป็นผู้เคารพภักดีใครภฮาบดีอัลลอฮ์สุบฮาร์นะฮุวะตางะเละอัลฮัมดุลลาบินอัตุละัย กุรานเร่อนี้อัลลอฮ์ประทานผ่านใครนะผ่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลอะลัยฮวะซัลลัมนะครับไม่ได้ผ่านคนอื่นผ่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลอะลัยฮวะซัลลัมนะครับเอาต่อมาย่าคือหนึ่งร้อยเจ็ดนะครับมาอร์เลนะกะอิลลาระห์มะตัลลิลอาลามี ว่ามาอาร์สลนาก็อิลลาระหมตต์ลิลกาลามีนพีน้องดูศัพท์ บ, บ้างนะอัรสลนาแปลว่าเราส่งถ้ามาใส่ไปข้างหน้าแปลว่าเราไม่ได้ส่งว่ามาอาร์สลนาก้าก้าหมายถึงท่านเนี่ยหมายถึงน บ, บีมุฮัมมัดนะเราไม่ได้ส่งนะครับ ให้กับนบีมุฮัมม uh ัดกุรานนะที่อัลลอฮ์ให้กับนบีเนี่ยมันจะให้สตาง่ Allah อัลลอฮ์ประทานอะไรนะประทานคุรานให้มาอิลลเพื่ออื่นใดไม่ใช่เพื่ออื่นใดราะห์มาจันนอกจากเ ป, าม เ, มเป็นความเมตตาราะห์มะในเป้าความเมตตาใครที่ชื่อใครจะบินลูกสาวชื่อราะห์มาต้องแปรได้อยู่นะ ราะห์มะแปลว่าความเมตตาอัลลอ์อลต้องการจะอธิบายว่าคุรานเล่มนี้มีสมบูรณ์แล้วใครต้องการที่จะเข้าเฝ้าอัลลอ์เข้าหาอัลลอ์จะเรียนรู้เรื่องอิสลามนะอ่านคุรานเล่มนี้เล่มเดียวพอไหมพอแล้วอลัลลอ์อธิบายต่อกุรานเล่มนี้นะเราไม่ได้ส่งให้ท่านเพื่ออื่นใดนอกจากเป็นราะห์มะ เป็นความเมตตาอัลฮัมดูเรล่าพี่น้องกุรอานตรงกุณอานเล่มนี้นะทุกอายะนี่นะจะอยู่ตรงไหนก็ตามใครนำเอาไปใช้มีบารากัดในชีวิตหมดเลยรจริงไหมจริงครับเราขอยกตัวอย่างนะแค่อานะบบ่านนะมีสอวบ้านอบดุลนหนึ่งน่าจะชื่อท่านฮูเดรท่านฮูเดรนั่ง ก่อกลางคืนประมาณตีสามเนี่ยนะนั่งอ่านกูอ่านอยู่เนี่ยแต่นั่นนะกลางคืนมันก็ร้อนนะน ะ, นะโลกอาดับมันก็ร้อนอ่านอ่านอานอา น, อา น, นั่งอ่านข้างนอกอ่ะนอกกรช้าที่เงี้ยนั่งอ่านแล้วก็ผูกผูกแล้วนะผูกอูดเอาไว้มาหรืออูดไม่ไม่ไม่ไมัมม่นใจนะพออ่านอ่านสู้ร้อนหนายรู้ไหมนี่แหละอัลิฟลามีเซลิกัลคิทาบุลาไรบะฟีฮูฮดัลอิลมุตตะฟิน อ่านเนี่ยหกอายะเนี่ยทวนไปทวนมาเนี่ยม้ามันกระโดดกระโดดผึบผึ บ, บ, บก็มองกระโดดทําไมก็หยุดอ่านพอหยุดอ่านมันก็หยุดหยุดหยุดกระโดดก็อ่านอีกอ่านอีกออ ก, กระโดดอีกสามครั้งตกใจกระโดดทําไมก็แง้มหน้าไปดูอ้าวเป็นก้อนเมฆใหญ่เนี่ยแล้วก็มีลำแสงแดงเนี่ยลอยขึ้น อะไรพอตื่นเช้ามาก็มานมาัทติสุบติมัสติก็เล่ามันให้บีบบฟังนีบบวออัลลอฮฺะดคุณไม่น่าจะหยุดอ่านกุณอ่านให้มั้ยมันดิ้นไปเหอะนั่นแหละมาลาอิกะลงมาฟังเสียงอ่านอัลกุรอานของคุณกรณีเดียวตัวอย่างหเห็นว่าใครที่อ่านกุร อ, า น, อานที่บ้านท่านมาลาอิกะลงมาจริงๆครับ มันอัลลอฮ์ให้เห็นอัลลอฮ์ให้เห็นนะท่านฮุดอยเป็นชาวนะบ้านในบีคกนังอ่านกุรานที่บ้านอ่อนสุรานายบักร้องนี่แหละใช่ไหมหกเจ็ดนะอายาเนี่ยทวนไปทวนไปทวนมาทวนไปทวนมาอ่านดังๆค่อยๆบ้างดังบ้า ง, างในบ้านของเราม า, าละก้าวลงมาฟังฉะนั้นแค่อ่านคุรานอย่างเดียวนะ่ะรอดหมม า, มาไหมมาครับร่างมาแปลว่าความเมตตา ถ้าเรานำเอาหลักการอิสลามสักข้อเดี่ยมาใชา้อายกตัวอย่างถือสินอดถือสินอดนี่เอาล่อให้อะไรนะให้รามาทั้งสองอย่างสองสามอย่างเลยนะหนึ่งร่างกายสองจิตใจสามวิญญาณได้สามอย่างเลยเอา้าวเอาร่างกายก่อนนี่ตัวนี้ลองไปช่างน้ำหนักติลดไหมไปตัวนเลือดเบาหวานลดนะไขมันลดไหมลด แล้วก็สุขภาพดีมากเลยตอนเนี้ยขาเล่นไปตัวดูสิอัลลอฮฺอักบัดยี่ห้าวันกําลังสวยเลยนี่นะแล้วก็ลดน้าหนักคกือตอนห้าหโมงนี่ยสี่โมงห้าโมงเราไปชา่งน้ำหนักดูสิลดไปสองสากิโลเลยนะนี่ร่างกายแล้ววิญญาณเลยพี่น้องอัลลอฮฺอักบัดวิญญาณนี่สะอาดบริสุทธิ์อยู่กับอัลลอฮฺราะฮฺมะประทานลงมาเลย แล้วก็จิตวิญญาณนี่แหละลึกๆที่อยู่ข้างในในพินนทั้งหลายทั้งสามรายการดีหมดเลยฉะนั่นนำเอาคำสอนของอิสลามสักข้อหนึ่งมาใช้ในชีวิตประจำวันมีแต่ละหะระหะละหะหมดเลยเอ้าวยกตัวอย่างอีกข้อหนึ่งท่านอบีศย น, นะเวลาเจอหน้าทำไงนะให้ยิ้มแล้วก็อัสลามมอลอะไเดี๋ยวกลับไปบ้านไปเจอหน้าภรรยายิ้ม ให้ซาลยิ้มก่อนแล้วก็ให้สาลาทะเลาะมากไหมคับท้อครัก็บอกทะเลาะกันเมื่อคืนเนี่ยเถียงๆกันแต่โซโบนกลับไปบ้านยิ้มศาลามาะลยกูร้องมากมาไหมเห็นไหมเอาหลักอิสลามไปใช้ในชีวิตประจําวันอ้าวมาโซเยวีเนี่ยเขาจะกับอะไรทํำขี้ตันอเด็กมุสลิมทํากันทั่วประเทศเลยทั่วโลกเลยรอมากไหม อาถ้าไม่ทำกิตารอะไรตามมาอีกโอ้โหเต็มเบอหมดเลยเนี่ยหลักการอิสลามแต่ละข้อแต่ละข้อที่อัลลอฮฺประทานลงมาผ่านนบีมุฮัมมัดนั้นมีแต่ระหมะความเมตตาตลอดเวลาเลยทำเวลาสบายใจไหมสบายใจว่ามาอัสลนากะอิลลาระหมะตันลิลอาลามีลิลอาลมเนี่ยพี่น้องอาลมแปลว่าอะไรนะโลกกี่ใบ ยูนิเวอร์สนะไม่ใช่ใบเดียวนะอาลามีนแปลว่าโลกหลายๆใบเห็นยังครับกุณาเรี่มนี้นะอัลลอฮ์ประทานให้นะหนึ่งกับมนุษย์สองกับสัตว์สกับพืช4กับของของแข็งด้วยเห็นปูนทรายทั้งหมดนี่นะมีประโยชน์หมดเลย แค่นั้นเวลาอิสลามลงมาให้กับโลกใบนี้นะก็คนก็ได้ประโยชน์ต้นไม้ก็ได้ประโยชน์แล้วก็ของแข็งก็ได้ประโยชน์พืชก็ได้ได้ประโยชน์หมดเลยอ่ะยกย ก, ยกตัวอย่างง่ายๆมีอยู่ครั้งหนึ่งนบีกําลังยืนคุตบะอยู่ที่มัสยิดของท่านนาบีวันนั้นเมื่อก่อเ น, นี่ยนบียืนบนบนขอนไม้ใช่ไหม อ่านกูตับายืนมันขอนไม้แล้วต่อมามีผู้หญิงคนหนึ่งทำเมมบัตให้บอกนบีฉันทําเมมบัตให้ท่านนาบียืนนะอันนี้มาต้องใช้นบีก็ใช้เมมบัตพูดกําลัง พ, พูดพูดอยู่ไอขอนไม้อันนี้นะมันร้องร้องหึหึทุกคนได้ยินหมดเลยน่ะนบีก็ลงมาจากเมมบัตแล้วก็มาจับมากรบอกว่าอย่าร้องอย่าร้องเลยฉัน ไม่ได้ทิ้งถาวรทิ้งชั่วคราวตันนั้นแหละอธิบายยังไงไปน้องต้นขอนไม้มันยังเสียใจเลยที่นบีเคยยืนแล้วต่อมาไม่ได้ยือนอ๋อวากัอยากจะได้ยิ้นคำสอนของท่านนบีผ่านปากท่านนบีใช้ขอนไม้นี่ยืนแล้วพวกเราวันนี้ยกตัวอย่างนะพวกเราก็ขอนไม้วันนี้ใครดีกว่ากัน <laughs> ขอนไม้มันยังร้องเลย ถ้ามาได้ฟังศาสนาแล้วเรามาได้ฟังเป็นสิบสิบปีนอนหลับสบายแต่ถ้าว่าเราเนี่ยแย่กว่าถอนมาอีกพูดอย่างนี้แรกอีกดูนี่ยมุสฟายมันพูดแรกกี่แล้วมึงด่ากูหรือเปล่านี่นะเราธรมาจันลิลามีอัลลอฮฺไม่แหก้นก็ได้เนี่ยอัลลอฮฺอกบะมีประโยชน์หมดเลยทำอยู่เลยเอ้าต่อมาพี่น้องจนวเลงว่าอาลามเนี่ยไม่ใช่โลกใบเดียวนะ โลกแห่งสัตว์โลกแห่งพืชโลกของแข็งโลกมนุษย์อัลลอฮฺอักบัดดีหมดเลยครับพี่น้องนบีเดินผ่านไปไหนนะต้นไม้ให้สลามคิดดูสิเอาพี่น้องที่เดินมามัสยิดเนี่ยมาเรียนหนังสือที่มัสยิดเนี่ยนะออกจากบ้านด้วยเนี่ยที่สะอาดนี่นะก้อนหินขอดุอาให้ต้นไม้ขอดุอาให้เห็นยังครับมัน มันดีหมดเลยถ้าเรารู้เลยนะอัลลอฮ์เนี่อัลลอฮ์ไม่ให้เรารู้แต่เล่าให้นบีเล่าให้ฟังว่าสรรพสิ่งทั้งหมดนี้กําลังขอดวอาให้ขออภัยโทษให้คนที่ออกจากบ้านมาฟังกุณอ่านมาฟังข้อี่ของท่านนาบีเพื่ออัลลอฮ์สุภานะหัวตาล้อันทีนี้ท่านนาบีสอนนะอุลมามะอธิบายอย่างนี้หน้าที่ของนบีเป็นอย่างนี้ครับอานารัลฮ์มาตุน อบูฮุไรร์ได้รายงานบอกว่านาบีพูดเองนะบอกว่าที่ฉันมาเนี่ยนำเอาศาสนามาเนี่ยเป็นยังไงครับราะห์มาตุนนําแต่ของราะห์มาความเมตตามาให้เรื่องเลวไม่มีของที่นบีนํามาเรื่องอันตรายไม่มีเลยมีแต่เรื่องดีทั้งหมดอันที่สองมูฮดาตุนเป็นผู้ที่ชี้ทางนําที่ถูกต้อง ใครนำเอาหลักการอิสลามไปใช้พี่น้องดุลยากว่าดีอาคีรอกว่าดีชีวิตของเขากว่าดีหมดพี่น้องเอาดูลูกเราเอลลาลอลูกที่มีาศาสนากับลูกที่ไม่มีาศาสนามันน่ามองตรงไหนอ่ะลอล๋อวัดวัดมันต่างกันเยอะฉะนั้นพี่น้องครับเอ า, าศาสนานี่นะไม่ใช่เก็บไว้ก่อนนะเก็บเอาไว้อธิบายสอนให้คนอื่นได้ปฏิบัติด้วยอ่านาบีสอนต่อไปอีกนะครับบิรออฟอิงกามิน คนที่มีศาสนาอิสลามนี่นะหลายคนเนี่ยเจริญวะวะคัฟดีอาคอรีนหลายคนก็ตกต่าเพราะทิ้งศาสนาอายกตัวอย่างคนที่อลัลลอ์ให้ตกตำ่ำกรทั้งที่เป็นกษัตริย์ใครบ้างครับ น, นึกออกไหมฟาโรห์หน้าแตกไหม <c oughs> นี่ฟาโรห์รู้รู้ว่าตัวเองถูกมีเชื่อนางกัรพิจารอ่านรู้หรือเปล่าไม่รู้นะพราะตายไปแล้ว ถ้ารู้คงเสียใจนะโอ้นี่มีชื่อฉันเนี่ยอ้าวยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งนบียูซุฟอะลาฮิสลามถูกอะไรนะถูกรังแกใช่ไหมถูกอิฉาใช่ไหมจับนบียูซุฟโยนใสบ่บ่อละยูซุฟเนี่ยตกต่ำด้วยว่าเจริญเจริญหมดเลยอะ่ะเสร็จแล้วนะ่ะมีอยู่วันหนึ่งพ่อแม่พี่น้องสิบเอ็ดคนเนี่ยไปหานาบียูซุฟไปขออาหารใช่หม ที่เ ร, เรียนมาเนี่ยนะวันนั้นนบียูซุฟพูดพูดว่างไงนะขอบคุณอัลลอฮ์ที่ฉันอยู่ในคุกอัลลอฮ์ให้ฉันออกจากคุกขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้ท่านและพี่น้องของฉันเนี่ยแยกออกจากกันพอ่อไซต์นนี่ภาษาของนบียูซุฟด้วยนะพี่น้องกันนบียูซุฟมาได้พบพ่อมาได้พบพี่น้องอย่าง น, อน้อยยี่สปีถึงสามสามถึงสาสิบปีใช่ไหมใช่ยูซุฟว่าขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้ฉันออกจากคุก ขอบคุณอลัลลอฮ์ที่ฉันกับพี่น้องของฉันแยกจากการเพราะชัตอนขอบคุณอลัลลอฮ์ที่อลัลลอฮ์ให้ฉันรู้วิธีการทํานายฝันแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งน บ, บียูซุฟไ ม, ไ ม, ไม่ไม่พูดจับฉันโยนใส่บอ่อทํายูซุฟรู้ไหมจําหน้าพี่แต่หมดเลยคนนี้คนนี้คน น, ค น, นี้จับฉันโยนใส่บอ่อแต่น บ, บียูซุฟไม่พูดทําไมครับคนดีครับคนดีเขาจะไม่ทําลายครอบครัวตัวเอง คนดีเขาไม่ทํำลายใครอีกไปต้ อ, พองพอทํำลายจะหน้าแตกหมดเลยอ่ะเนี่ยคนนี้คนนี้ห้าคนเนี่ยจำโยนสซบอร์จ ไ, ได้ไหมได้แค่สี่สิบปีเองท่านไม่พูเพราะอะไรครับพอพูดแล้วเนี่ยเสียหายกันหมดเลยนี่ไงน บ, บียดูซุแต่นั้นคนที่ถูกรังแกเนี่ยไปต้องอยู่เฉยๆนะอยู่กับอิสลามรักษาอัลลอฮ์ให้ดี วางตัวให้ดีอัลลอฮ์ให้สงหางาานนงตตามหมดเลยคนที่อิจฉาคนนั้นอัลลอฮ์ให้ตกต่ำหมดเลยครับพี่น้องทุกท่านอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆนะครับพี่น้องเอ้าต่อมาอายาที่เท่าไหร่นะอายาที่หนึ่งร้อยแปดแต่ก่อนอีกนิดหนึ่งนะคนที่หันหลังให้อัลลอฮ์เนี่ยรู้ไหมได้เชื่อไว่ายังไงคนไม่อาอัลลอฮ์เนี่ยหนึ่งเป็นเป็นนะครับเป็นคนกาเฟตหรือเป็นคน มุสลิมใช่หรือไม่ใช่ถ้าหันหลังให้นบีมุฮัมมัดตีไม่เอาซูน่านบีมาใช่หนึ่งเป็นยิวสองเป็นคริสสามเป็นบินอาสี่เป็นชีอ่างเป็นได้หมดเลยอะไรก็ได้เพราะหันหลังกับนบีมุฮัมมัดปั๊บเนี่ยเป็นได้เต็มหมดเลยฉะนั้นของที่นบีนําเอามาคือน้องยึดให้แน่นนะครับถ้าหันหลังให้นบีเป็นยิวก็ได้เป็นคริสก็ได้เป็นบินอาเรียกได้เต็มหมดเลย หันหลังให้อลก็เป็นกาเฟตหรือเป็นมุชริกเราชอบให้ภาษานี่เราก็ไม่ชอบเพราะเป็นคนที่ทรยศ ต, ต่ออลกเป็นคนที่ทำชีริกกรา ว, ว้ยพระเจ้าหลายองค์เราไม่ชอบนะครับอย่างน้หนึ่งร้อแปดนะครับกุลอินนามายูฮาอิเลยอันนามิลาฮุคุมอิลาหวะหิด فهلأنتممسلمون؟ ุล hey, ิอ์นั้มายุฮาอิเลยันั้มอิลลัฮุคุมอิลลัฮุ واحد فَهَلْ أن ْุม مسلمون อัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮสั่งให้นบีเนี่ยพูด พมาเดิ่ยจงกล่าวเถิดจงตบลีกเถิดจงดววะว่าเถิดจงอธิบายเถิดนะครับอธิบายว่าไงอินน่ามาแท้จริงฉันเพียงยูหาได้มีวะฮีฉันเนี่ยเป็นคนคนหนึ่งที่แตกต่างกับพวกท่านเน่เพราะมีวะฮีมา ถูกวะฮีมาให้กแกใครอีไล่อะไรให้แก่ฉันต้องการจะบอกว่านาบีอุมมามัดกับเราเนี่นะเป็นคนเหมือนกันฉะนั้นมาต้องกราบนาบีนบีที่พิเศษกับเราเนิดหนึ่งเพราะนาบีได้รับวะฮีเท่านั้นเองนบีทั้งหมดเนี่ยได้รับวะฮีจากอัลลอฮ แล้วก็คนที่เอาลอตจะเลือกมาให้รับไว้นะ่ะม่ใช่คนธรรมดานะ่ะหนึ่งใจสะอาดเรื่องใจที่สุดนะอ่ะอย่างกับนบีครนะนบีมูซากับนบีฮารูนมูซากับฮารูนเะน่เป็นพี่น้องกันฮารูนนี่พูดทัานหนึ่งมากเลยนบีมูซาติดอ่างทำไมเลือกคนติดอ่างอะ่ะ ทำไมไม่เลือกคนที่พูดปั๊บปั๊บ ป, บ ป, บ ป, บ ป, บปบไม่เลือกอ่ะพราสองคนนี้หัวใจของนบีมูซานั้นสะอาดกว่าอัลลอฮฺเห้ยไหมฉะนั้นอัลลอฮ์เลือกนี่พี่น้องคนคนหนึ่งให้มาทําหน้าที่รับอวยใหของอัลลอฮ์มาอธิบายศาสนาให้กับคนนั้นต้องเป็นคนดีแสดงว่าเราจะเป็นคนดีได้ไหมได้ ถึงเราไม่ได้เป็นนบีกับเป็นคนอะไรเอาของที่นบีนำเอามาสอนเราเอามาใช้ในชีวิตประจำวันคนสะอาดได้ไั้มได้ครับเอาต่อมากุลอินมายุฮาอิลัอยจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดเอ๋ยแท้จริงมุฮัมมัดเนี่ยเป็นเพียงแต่ได้ราบวฮาฮีแก่ฉันเท่านั้น อันนัมาอิลลฮูกุมอิลลฮูวาหิดสิ่งที่วาฮีสิ่งที่อัลลอฮฺวาฮีลงมาเนี่ยรู้ไหมเรื่องอะไรเรื่องพระเจ้าหรือเรื่องอัลลอฮ์นี่แหละ ว, ว่าพระผู้เป็นเจ้าอิลาัฮูกุลมพระผู้เป็นเจ้าของท่านทั้งหลายนั้นกี่องค์ครับอิลลัฮูวาฮิดุนคือพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวเท่านั้นนี่ไงนะครับ ที่อัลลอฮประทานลงมาจากชั้นฟ้ า, าให้เิบรินนำเอามาบอกกับนบีและบรรดานาบีทั้งหลายในโลกอ่ะที่มีชื่ออยู่เท่าไหร่นะยี่สิบหท่านที่ไม่มีชื่อน่อีกแสนสองมืกว่าท่านเนี่ยสอนเรื่องเดียวครับละอิละฮะอินละลออัลลอฮฺมีองค์เดียวอัลลเรื่องอัลลอฮฺมีองค์เดียวเนี่ยเรื่องใหญ่มากนะพี่น้องแล้ววันนี้คนทั้งโลกเนี่ยประมาณเจ0ดพันล้านน่ะ ที่รู้จักอัลลอ์แค่พันแปดร้อยล้านใช่ไหมหรือสองพันล้านและอีสามพันล้านแหละ <c oughs> อีกสี่พันล้านน่ะยังไม่รู้จักอัลลอฮ์พี่น้องเป็นหน้าที่ของใครของพวกเราวันนี้จะต้องดาวะตับลีสอนแต่ที่คนจะไปสอนคนเหล่านี้เนี่ยมันก็ต้องเก่งน่ะต้องเก่งอ่ะพูดเป็นอะไรเป็นต้องเรียนหนังสือเยอะจอง อัลลอฮ์พี่น้องไปสอนคนให้เปลี่ยนจากพระเจ้าหลายองค์มาเป็นพระเจ้าองค์เดียวเนี่ยนบีก็ถูกตําหนิมาแล้วใช่ไหมเองมุฮัมมัดจะมาสอนเราให้ลบทิ้งพระเจ้าร้อยร้อยองค์เหลือพระเจ้าองค์เดียวเองจะบ้าหรือไงแต่นบีตอบยังไงพี่น้องนบีค่อยๆตอบค่อยๆแก้ปัญหาสําเร็จไหมสําเร็จแวันนี้ก็เหมือนกันเราเองจะหากยึดสุนานะนบีมาใช้มาอธิบายคนให้รู้จักอัลลอฮ์องค์เดียวก็ต้องมีความสามารถไหมหลายๆด้านด้วย นะครับอัลลอฮ์มีแค่องครับองเดียวอันนามาอิลากุมอิลากูวาฮิดพระผู้เป็นเจ้าของท่านทั้งหลายคือพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวเท่านั้นฟาฮันตุมมุสลิมูนการนั้นแล้วพวกท่านยังมุสลิมเนี่ยแปลว่ายังไม่นอบน้อมยังไม่เชื่อฟังอีกหรือ พวกท่านยังไม่นอบน้อมยังยังไม่เชื่อฟังอรรถอีกหรือยังไม่เชื่ออีกหรือว่าเป็นความจริงอ่ะยังไม่เชื่ออีกหรือถ้องคใครอยากจะเป็นพระเจ้าต้องต้องมีความสามารถแปดอย่างใครอยากจะเป็นพระเจ้านะต้อ ง, ง, งมีแปดอย่างหนึ่นะ ง, ง 1. สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินสองสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นะครับห้าสร้างกลางวันกลางคืน เจ็ดแปดสร้างคนแล้วก็สร้างสัตว์มีความสามารถไหมน่ะถ้าใครมีความสามารถสร้างแปดรายการนี้ได้นะเป็นพระเจ้าได้เลย <c oughs> เรามีไหม <c oughs> เราหมดสิทธิ์เป็นพระเจ้าไม่ได้สร้างอะไรมาดาสอย่างนึ่งใช่ไหมขนตาร่วงลงมาให้ติดเรียบร้อยไปนั่งแค่ขนตาหลุดนี่นะให้ติดเหมือนเดิมอ่ะหมดสิทธิ์แล้วแต่นั้นใครที่จะเป็นพระเจ้านะต้องมีความสามารถกี่ข้อนะ แข้อหนึ่งสร้างชั้นฟ้าแผ่นดินสร้างกลางวันกลางคืนสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์สร้างคนแล้วก็สร้างสัตว์ถ้าทำสิ่งเหล่านี้ได้นะเราก็ยอมรับให้ท่านเป็นพระเจ้าแล้วก็จะกราบท่านทันทีจะนั้นคนที่มีความสามารถก็มีอัลลอฮ์องเดียวนะครับพี่ออ่านตัวลงว่าชีริกทำได้ไหมนี่ต้องการจะอธิบายว่าอัลลอ์มีองเดียวนะครับพระเจ้ามีองเดียวเท่านั้น เราทำดูเลยละออลลอวันที่นบีมุฮัมมัดสอนเรื่องพระเจ้าองค์เดียวน่ะที่นครมะกากี่ปีสิบสาปีสำเร็จไหมไม่สำเร็จนะมีคนอีมานไม่กี่คนสุด้าต้องอบพยพใช่ไหมไปอยู่มะ ก, กาพอปีที่เจ็ดที่แปดมายึดมะ ก, กาได้เพิ่งจะออลลอฮฺเวลพี่น้องเห็นอย่างครับเรื่องยากเพื่จะเปลี่ยนแปลงคนให้รับอิสลามเนี่ยอลลอพี่น้อง ท่า น, นใครที่มารับอิสลามตอนนี้เยอะขึ้นนะอัลลอ์รับอิสลามกันเต็มเลยนะนี่ผ่านผมเมื่อสักสองเดือนที่แล้วนะหลายคนนะสามสี่คนนะมีอยู่คนหนึ่งเป็นลูกอาหรับเป็นลูกอาหรับเลยแล้วก็พ่อตายก็อยู่กับแม่แม่ก็เป็นพุทธ ในใจนึกว่าฉันยมีอัลลอฮ์อยู่ในใจในเดึงเล่าบอกหลายรอิสลามแล้วนะผมมั่นใจว่าพระเจ้ามีอัลลอฮ์เป็นหน้าตาอารับแต่อันอัชฮะดุอัลลาไม่ได้เราคิดว่ามันจะเก่งนะฉันไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ต้องสอนอัชฮะดูอัลลาอิลลัลลออัลลอฮ์เป็น้องจตัว้องว่าคนนี่มองหน้าตาได้ไหมไม่ได้ เอาละผมจะช่วยให้เด็กคนนี้ไปเจอไปเจอพี่ชายในประเทศเนน อ, อันนั้นบาหลีมิชอโลครับเอาต่อมาอายัดที่109พี่น้อง <c oughs> พระเจ้ามีองค์เดียวนะอายัดที่109อยธิบายอย่างนี้ครับฟาอินตาวัลลาอฟะกุลอาซันตุกุมอาลาสวา ว่ أ َินอัติริอักริบุนอัมบะอิดมَตูอัตุนฟ้าอิَตะَัَลาอูฟ้าคุลอาดันตุคุมอล وَإِنْ أَدْرِي أ َ ق ิ ر ِ ي ب ٌบَ م, بع م ْ بَعِيدٌ มาตู Allah, อ, อัดูน alhamdulillah อัลลอฮฺบินาอายะนี้ต้องการจะบอกว่าคนไม่เอาอิสลามนะ่ะมีโทษบาปอะมาดูฟาอินตะวัน ล, ลาครั้นถ้าหาคั้วเขาหันหลังตะวัน ล, ลาไปว่าหันหลังไม่เอาอัลลอฮไม่เอารอซูล ไม่เอากุรานไม่เอาอิสลามอัลลอ์พี่น้องแต่วันเล้เอาถ้าไม่เอาอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวได้ชื่อว่าอะไรนะกาเฟตหรือมุสริกไม่เอาไม่เอามฮัมหมัดเป็นนบีคนสุดท้ายได้ชื่อว่าเป็นยิวเป็นคริสเป็นบิดอาเป็นอะไรเต็มไปหมดพี่น้องถูกตำหนิ อาที น, นี้คนไม่เอาอิสลามดูกุอ่านครับฝาอินตะวันเห ล, ลา่าค้านทหาพวกเขาหันหลังให้คือไม่ยอมฟังไม่ยอมรับอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวฟะกุลมุฮัมมัดเอย๋ยจงพูดให้มุฮัมมัดสอนเลยให้มุฮัมมัดตับลียคนุมัดดาว่าเลยดาว่าไงนะอาดันตุกุมฉันได้บอกกล่าวแก่พวกท่านแล้ว นบีตัวนี้เสียชีวิตไปกี่ปีแล้วครับพันสี่รอยปีนบีสอนแล้วใช่ไหมสอนแล้วถ้าใครไม่เอาให้เตือนใหม่อาดันตุกุมฉันได้บอกกล่าวกับพวกท่านแล้วอาละเสวะโดยท่วนทั่วสอนหมดแล้วอธิบายไว้หมดแล้วครบวงจรแล้ว มุฮัมมัดเออจงบอกกับประชาชนเขาที่ไม่เอาศาสนาเนี่ยหน้าที่ของนบีจบแล้วนบีมาสอนแล้วถึงจะสอนที่มักกะสอนที่มาดิน่าสองแห่งก็หมายถึงว่าสอนทั้งโลกแล้วเพราะเป็นหน้าที่ของพวกเราต้องเอาเอาอิสลามนี่ไปทําอะไรนะไปเผยแพร่ซลาบานาบีเนะี่ยเสียชีวิตที่มักกะกี่คนพี่น้นองซลาบานาบีเสียชีวิตในต่างประเทศหมดเลย ในประเทศจีนมีอย่คนใช่ไหมชื่อท่านอะไรวักคอสอะไร อ, ะอ่ะอมีอยู่คนหนึ่งเขาไปทํำไมเลยประเทศจีนเนี่ยนะไปทําหน้าที่เนยสอนสาศาสนาคะพี่น้องที่ประเทศอินเดียก็มีหลายประเทศในยุงอียิปต์เนือสอบ้านนบีเต็มไปหมดนะ่ะไปตาอยู่ต่างประเทศหมดเลยไปทําไมพี่น้องเนี่นําเอาอิสลามของท่านนาบนะีเอาไปสอนไปสอนไปสอนไปสอนไปสอนแล้วต่อมาครับ ถ้าไม่เอาศาสนาวาอินอาดะรีฉันไม่รู้อินแปลว่าไม่นะไม่ใช่แปลแปลว่าถ้าหากอินแปลว่าไม่ทีนี้วาอินอาดะรีฉันไม่รู้อากอรีบุญใกล้อัมบายดุนหรือไกลอธิบายยังไง ใ, ใกล้กับไกลนบีบอกเลยฉันไม่รู้นะ คนที่ไม่เอาศาสนานั้นแน่นอนที่สุดเขาจะต้องถูกลงโทษแน่แนเป็นยังครับคนไม่เอาศาสนาคนไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอารอซูลเขาจะต้องถูกลงโทษแน่ๆ แ, แต่นบีพูดยังไงนะอลัลลอฮ์สั่งให้พูดอะกอรีบุนลงโทษกายอันอันใกล้นี้อัมบายดุนหรือลงโทษอันไกลไม่เดี๋ยวนี้ก็อนาคต ไม่วันนี้ภูงนี้มารืนนี้หรือมากัปีหน้าอีกสิปีข้างหน้าหรือว่าบนโลกดุนยาหรือหลังตายฉันไม่รู้แต่โทษมีไหมมีไม่มีโทษบนโลกดุนยาก็มีโทษในโลกอาคืเราแน่นอนครับนี่เป็นสัญคาสัญญาของอัลลอฮ์นะมาตูอาดุนที่ได้ถูกสัญญากับพวกท่านตูอักแปลว่าถูกสัญญาอัลลอฮ์สัญญาไว้แล้วนะคนที่ไม่เอาศาสนา เขาจะาต้องถูกลงโทษแน่ๆนี่เป็นคำสัญญาของอัลลอฮ์ลงโทษเมื่อใดครับก่อีบุญวัยวันี้อัมบัยดุลหรือข้างหน้าอีกไกลก็ได้คำว่าไกลหมายถึงโลกอาเคราะห์คำว่าใกล้ก็โลกดุลยาก่อนตายหรือหลังตายเท่านั้นเองเอถูกลงโทษไหมถูกครับแน่ไหมแน่นี่เป็นคําสัญญาที่อัลลอฮ์จัดเอาไว้แล้วโอ้น่ากลัวไหมนะ้อง ดังนั้นต้องสอนอิสลามในครอบครัวนะ อ, อ, อัลลอฮฺต้องให้อิสลามกับคนในครอบครัวนะลูกเราเมียเราฟังทางอิสลามเยอะๆพี่น้องพราะเข้าใจอิสลามแล้วนะอัลลอฮฺให้อย่างคือหัวใจเนี่ยสะอาดสงบสงสารเมตตาให้อภัยตามมาเต็มไปหมดเลยนะครับ อ่าพี่น้องอากอรีบุญแปลว่าอยู่ใกล้อัมบะยดึนหรืออยู่ไกลหมายมความว่าการลงโทษนั้นเกิดขึ้นอย่างแน่นอนพี่น้องโทษมีไหมมีครับคนไม่เอาศาสนาโทษมีไหมมีครับรออักบัตน้องพี่น้องนึกภาพนะนึกภาพคนชั่วตอนถูกจับใส่โลงอ่พะพอใส่ลงปั๊บเนี่ยนึกว่าอย่างไรรู้ไหม จะพาฉันไปไหนจะพาฉันไปไหนนี่นบีอธิบายให้ฟังเลยนะพี่น้องแค่ถูกจับใส่โลงปับ๊บพอใส่โลงปั๊บพี่น้องจะพาฉันไปไหนจะพาฉันไปไหนนบีอธิบายว่ามนุษย์กับยินไม่ได้ยินเสียงร้องของคนที่อยู่ในโลงแต่ทหางได้ยินนะสลบหมดเอาล้อไม่ให้ได้ยินครับให้สัตว์ได้ยินอย่างเดียว นี่ภาพที่ท่านนบีอธิบายพี่น้องและอีกภาพหนึ่งภาพของคนซนและคนดีตายเพราะถูกจับใส่ลงปั๊บนะกอดดิมูนี่พาฉันไปไวไวไปไหนไปฝังให้ไวที่สุดนะเพราะเห็นรางวาัลของฉันอยู่ในกูโบโตเต็มไปหมดผู้อ่านหาดิสพบพี่น้องเนี่ไปทำอุมรอกครั้งนี้นะไปซื้อหนังสืออัลลอฮอักบร ผมเพิ่งอ่านพบนะไซนาอุมัถามท่านนาบีบญกยาละซูละล <c oughs> วิญญาณของคนที่ตายไปแล้วเนี่ยวแล้วออกจากร่างปั๊บขึ้นข้างบนบนเลยนะ <c oughs> พอขึ้นเสร็จแล้วเขาเรียกว่าเขียนชื่ออยู่ในอินลีนอยู่ในสวนสวรรค์เสร็จแล้วอัลลอฮ์สั่งให้มาลายการเนี่ยนำเอาวิญญาณเนี่ยมาใส่ในร่างของคนตายที่กูโบอีกครั้งหนึ่ง ไซนาอุมาถามท่านนาบี ว, ว่าฉันมีความรู้สึกเหมือนตอนเป็นๆใช่ไหมไอ้เบ๊บอกใช่พี่น้องคำตอบที่เราตอบอยู่ในกูโบตอบด้วยปัญญาพี่น้องความรู้สึกแค่นั้นคนอยู่ในกูโบนะทำสิบอย่างพี่น้องบางคนนี่นะเอาล่อให้ลุกขึ้นแล้วก็ น, นั่งได้ข้อที่สองยิ้มได้หัวเราะได้ ข้อที่สามตะโกนก็ได้อันที่สี่บนก็ได้อยู่ในกูโบทั้งหมดน่ะอันที่สี่อันที่ห้าสามารถเห็นได้เห็นนรกแล้วเห็นเห็นสวรรค์ได้แล้วก็สามารถพูดกับมารอิกาได้ด้วยเฉพะคนดีนะคนดีพูดอย่างนี้อย่าเพิ่งสอบฉันฉันขอนมาดก่อนงั้นจะนมาได้ไรล่ะ คนอยู่ในกูโบไปนองทุกคนที่นอนอยู่ในกูโบมีความรู้สึกว่าเวลานั้นเป็นเวลาที่ใกล้ตะวันจะตกดิน <c oughs> เป็นความรู้สึกว่าเราเนี่ยตะวันจะตกดินแล้วขอนามาตร์ก่อนมาเลกานว่ามันต้องนามาตฉันตอบฉันถานทันถากว่ามไม่ได้คุยกับมาเลกานอยู่ในดินได้นะไปน้องคิดดูสิอ๋อักบัสยิ่งใหญ่กว่นานานา แล้วก็ถามสามข้อมันรบบูกามันนบีอยู่กับมันอิมามุกา น, นี่ปัญญาตอบนะพี่น้องนะคนกาเฟ่พี่น้องตอบไม่ได้นบีอธิบายว่าลาอัดรีฉันไม่รู้ลาอัดรีฉันไม่รู้แต่บุสลิมนะอิสลามมุดีนีมุ h a m มัดนบีคุรานอิมามีบุสลิมจะตอบชัดๆอยู่ในกูโบพี่น้อง รอไปน้องพอตอบได้แล้วนะชุดสวรรค์อลรออย่างสบายกลิ่นหอมจากสวรรค์มาหาคนที่นอนอยู่ในกูโบวีน้องยิ่งใหญ่ไปน้องอ่ะเข้าใจาอิสลามไปน้องเรียนอิสลามปฏิบัติตามอัลกุอรอานและสุนัขของท่านนาบีเท่า น, นั้นแหละที่จะปลอดภัยที่สุดท่านยิงอิชชาถามท่านนาบีบอกว่ายาละซุนลอละในกูโบมีการสอบสวนไหมในเบบกมี ล้วชันคนแ ก, แก่จะไปทำยังไงวักเธอไม่รู้เลยมันมีเครื่องป้องกันอะไรอ่ะลาอิลาฮออิลลอฮ์โมฮัมมัดุรลอฮ์สุลล์ถ้าสองอ่านสองประโยคนี้อ่านให้เข้าใจและปฏิบัติตามคาสั่งอัลลอ์ปลอดภัยในการสอบสวนในกูโบถูกสอบแน่แต่ว่าลงโทษไม่มีทำจนนีดเลยพี่น้องขอเวลต่ออัลลอฮ์ให้เราตายนะเป็นคนที่มีอม م า ن ต่ออัลลอ์ Alpinong ayat terakhir. Oh. <speaking> Innahu yaalamul jahrami alqaul, wa yaalamu ma takhtumul. Innahu yaalamul jahrami alqaul, wa yaalamu ma takhtumul. Allah Dia mahap. Yaalam berarti, <medieval>. Songru. อัลลอฮ์เนี่ยทรงรู้ทรงรอบรู้อัลจาอแปลว่าเปิดเผยหรือเสียงดังอัลกาลีแปลว่าคําพูดแท้จริงพระองค์ทรงรอบรู้คําพูดที่เปิดเผยที่จะพูดดังๆเนี่ยอัลลอฮ์รู้ไห ม, ร, หมรู้หมดครับพี่น้องแล้วก็วายาอะลามูมาตักตูมูและทรงรอบรู้ที่พวกท่านปิดบัง คำพูดเนี่ยไม่ได้ออกแต่อยู่ในใจอัลลอฮ์รู้ไหมรู้นี่พออ่านแล้วอิมานเพิ่มมากอัลลอฮ์อักวาตเต็มไปหมดเลยนะฉะนั้นนึกถึงอัลลอฮ์ในใจอัลลอฮ์รู้ไหมรู้ครับดิเกตถึงอัลลอฮ์ในใจอัลลอฮ์รู้ไหมรู้ครับแล้วตัวเองก็เปลี่ยนแปลงด้วยนะคนที่นึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆไปน้องฉะนั้นให้กล่าวคานี้สุบฮานอ ال ัลลอฮิลอาซีบะฮามดีเยอะๆไปน้องยิ่งเรามาบอนี่ไปน้องว่าเลยเป็นร้อยเป็นพัน أستغفر الله واتوب عليه يا อินนักอันต้ตัวบุลกาฟูดอัสตักรุลลอฮฺให้ว่าเย่เๆ่เปน้องตอนกลางคืนเนี่ยก่อนที่จะลุกขึ้นทานอาหารซะฮุดพอตื่นขึ้นมาจะเพิ่งทานอาหารนะรอให้ใกล้ๆเวลาแล้วก็อ่านรักอ่านซิกรุลลอฮ์เยอะๆไปเนองบางคนถามก็ต้องนามาดใช่ไมไม่ต้องนามาดแล้วทานนมาดแปดตามด้วยวิเต็ดสามพอแล้ว พอแล้วถ้านำมาตามบิมหาผลและบุญทั้งกองนำมาตลอดทั้งคืนพอยังพอที่เหลืออ่านคุณอ่านกับซิกรุลลอ็อกไปน้องเอาต่อมาครับอุลมากอธิบายอย่างงี้ี่น้องคําพูดของคนที่ออกไปนี่นะอล้ลวเราฟังเลยเนี่ยอันนี้ผิดนี่พูดผิดอันนี้พูดถูกแล้วก็อล้ลวเราเงี้ยนะมันจะรับโทษโทษตอนไหนอ้อาวเราเรารู้หมดเนี่ย เอ็นพูดนี่ผิดเนี่ยถูกลงโทษตอนตายพูดนี่ผิดถูกลงโทษบุญดวงยากําหนดเลยพอจะพูดออกจากปากปั๊บไปน้องถ้าเป็นคําพูดที่ผิดนะอรรถกําหนดเลยคําพูดนี่ผิดถูกลงโทษก่อนตายอันนี้อันนี้ผิดปูนลงพูดหลังตายกําหนดเลยแต่ละนาทีแต่ละคําที่ออกมาไปน้องอันตรายฉะนั้นก่อนพูดต้องนึกก่อนนะต้องนึกก่อนฉะนั้นยาดาเลยนะ ภรรยานย่ชมหน่อยเธอสยวยมลสามีก็บังการอาหารทั้งเธออร่อยมันต้องพูดดีๆพี่น้องอยาดาเลยนะลักกำหนดบทบาปหมดนะั่นะพี่น้องเอาต่อมาครับอายะที่หนึ่งสิบเอ็ดการประวิงเวลาเนี่ยดีไหมดีครับแต่มุสลิมบางคนไม่ไพอใจ <c oughs> ประวิงเวลาไม่ลงโทษคนไม่เอ า, าศาสนา ดีไหมดีแต่ลิมบอกว่าแหมอัลลอฮ์ไม่ถูกใจฉันเลยอ่ดู Quran ว่อินอัดรีลอัลลัฮูฟิทนาตุละกุมว่ามาตาอุนอิลาฮินว่อินอัดรีลอัลลัฮูฟิทนาตุละกุมว่ามาตาอุนอิลาฮิน อินอะดรีุูอาร์ที่ผ่านมาว่าฉันไม่รู้ฉันไม่รู้หรอกนบีพูดนะอัลลอ์ให้นบีพูดว่าฉันไม่รู้นะละอัลลาหูบางทีฟิชนาตุลละกุมมันเป็นการลองใจสำหรับพวกท่านคือเป็นลองใจสำหรับผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อัลลอ์พูดแค่นี้เองต้องอธิบายพี่น้องคำว่าละอัลลาหูบางที บางที่อธิบายอย่างงี้การที่อัลลอฮ์ประวิงเวลาไม่ลงโทษคนไม่เอาศาสนาคนที่มีพระเจ้าร้อยร้อยองค์พันองค์อย่างฮินดูเนี่ยมีเป็นหมื่นหมื่นองค์เนี่ยทำไมอัลลอฮ์ไม่ลงโทษอ่ะการที่อัลลอฮ์ประวิงเวลาเอาไว้เนี่ยนะคนมุสลิมหลายคนฟิตนะเป็นการลองใจพี่น้องมุสลิมด้วย นี้ไอาการประวิงเวลาไม่ลงโทษนะไมีอยู่สองข้อข้อที่หนึ่งให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองคนที่มารับอิสลามเนี่ยเต็มเต็มวันนี้ น, ะนี่เอาลอดประวิงเวลาไว้นะเราก็เปลี่ยนแปลงกันมาโอ้โหเปลี่ยนแปลงกันเต็มที่สันติชนปีหนึ่งหลายร้อยคนนะ่ะมารับอิสลามกันดีไหมดีนี่ไงประวิงเวลาไว้ไม่รีบลงโทษเขาไม่ทําลายเขาให้เขาได้เปลี่ยนแปลงมาเรียนรู้เรื่องศาสนาดีไหมดี ไอคนที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็หนักขึ้นอัลลอ์สะสมบาปของเขาไว้เยอะๆรู้สึกตัวไหมไม่รู้สึกตัวหรอกแต่พออ่านกลอนอ่านคล่นรู้โอ้โแอนตี้อิสลามมาตั้งร้อยปี40ปีปีมีแต่อาซาบการทรมานบนเลยถูกสะสมทีละน้อยละน้อยละน้อ ย, อยไม่รู้สึกตัวฉะนี้มุสลิมบางคนก็นอึดอัดทําไมอัลลอฮ์ไม่เล่นงาน นี่เรามันซาเยฮูดีใช่ไหมเอาล่ะพัดลมที่นั่นพัดลมที่นี่นีนน่อะไรอีกนะกุยอะไรนะจีนอ่ะกุยอูกุยฮูอะไรนะกุยฟูใช่ไห ม, ไหมถูกจับไปครั้งที่แล้วเนี่ยอี ก, อ ก, อ ก, อกรอยกว่าคนเนี่ยถ้านทผมทราบนะจับใส่มือไม่รู้ว่าไปไหนด้วยนะ่ะพอขึ้นเครื่องบินเพิ่งรู้ว่าส่งไปประเทศจีนกลก็ไปตายแลาวความทรมานมุสลิมถึข น, นาด น, นี้ ืมร้อนใช่ไหมเลาทดสอบทั้งหมดนะฉะนั้นเรามีหน้าที่จะขอดูอาอยาอาลัลลอฮ์ทไมไม่ได้นะครับทีนี้ฉันไม่รู้นบีพูดนะโดยเน่ยนอนจนบางทีการที่อลัลลอฮ์ประวิงเวลาไม่ลงโทษคำว่าประวิงเวลาอุลมามะอธิบายอย่างนี้นะครับลาอัลลาตากีรรซาลิก ปีตา่า h i r u l อาซาบังกรุงรีบอัลลอฮ์ไม่รีบลงโทษนั้นเป็นการลองใจพี่น้องมุสลิมสองวามาจะเอาอิลฮละการเรื่นเริงชั่วระยะหนึ่งท่านั้นเองให้คนเหล่านี้มีความสุขชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองถาว่าให้ไม่กินอ่ะกินเบียกินเหล้ากินวัวกินแพะกินอาหารจะสักกีตัวกมันจะกินควาสักก่ตัว แต่กินแพทย์สกิลตัวเหล่าสกิลขวดข้าพี่กินไม่สิเพราะโลกโดนยาไปนี่ไม่มีค่าเท่ากับอะไรนะปีกุงนี่อ่านก็อานแล้วอลัลลอบฺเป็นน้องกันก็นั่นท่าของมนุษย์อยู่ที่อีมานถ้าไม่มีอีมานเป่นน้องไม่มีค่าเลยชีวิตของเราเนี่นะเป็น้องนี่พอไม่อีมานปั๊บเป็น้องโอ้โหเนื้อหนังก็สักเสร็์หมดเลยอะ่ะ อัลลอฮฺอักบัดจะเดินก็มีผลบุญจะเข้าบ้านอ่านดูอามีผลบุญจะนอนมีผลบุญจะดื่มน้ามีผละบุญอัลลอฮฺอักบัดดีทั้งหมดหาวอมือปิดปากมีผลบุญถ้าไม่มีอิสลามสยางนะครับศูนย์เสียหายหมดเลยชีวิตนีม่มีบุรกัรในชีวิตหรือเปล่าเจท่านการประวิงเวลาดีไหมดีอัลลอฮฺเมตตาเพื่อให้เขาได้กลับเนื้อกลับตัวบางทีการประวิงเวลาก็เป็นการเพิ่มโทษให้กับพวกเขาเหมันกันนะ อายาสุดท้ายนะครับพี่น้องกล่าวร ب บผิَคุมบิลฮักวُารับน์อัลรัฮ์มานุลมุสตาแอนุอัลามาทัศฟุนกล่าวรับผ ح ดคุมบิลฮักว่ารับน์อัลรัฮ์มานุลมุสตาแอนุอัลามาทัศฟุน ทำดูละอายะสุดท้ายนะครับของโซ ร, อร์อัมบียาอายะนี้ต้องการจะอธิบายอย่างนี้นะเมื่อท่านนาบีมุฮัมมัดนี่นะพยายามเผยแผ่อิสลามในนครมักมกะสิบสามปีที่นครมัตินาห์อีกสิบปีคนที่ไม่เอาศาสนา ม, มีไหมมีเสร็จแล้วนบีขอดูอาขอดูอานาบีทุกคนขอดูอาหมดนบีนัวก็ขอดูอาให้น้ําท่วมตาย แตนบีมุฮัมมัดไม่เคยขอมาทํมลายใครเลยทยุ่เลยดีไหมเอาอัคราของมุฮัมมัดมาใช้ดีกว่านะอย่าไปทำลายใครไออยู่ไปเพื่อเพื่อเขาเปลี่ยนแปลงมาได้ใช่ไหทำอยู่เลืล่อยนบีมุฮัมมัดกล่าวว่าเอา ล, ล้อเล่านะกล่นบีมุฮัมัดกล่าวว่ามาถึงขอดูอาวรับเบียกุมบิลฮักต์รอบบี้ยแปลว่าข้าแต่พระผู้อภิบาลของฉัน เอะกุมจงอะไรนะโปรดตัดสินคุกงนะโปรดตัดสินบิลฮักตีตามความเป็นจริงตง่อการจะอธิบายว่าคนที่พูดคำนี้ได้ไม่ใช่คนเลวต้องเป็นคนดีคนดีเท่านั้นที่พูดภาษานี้โออัลลอฮ์โปรดตัดสินตามความเป็นจริงใครทำดีได้ดีใครทำชั่วได้ชั่ว ใครไม่เอาศาสนาถูกลงโทษหมดคนที่เอาศาสนาอาลัลลอฮ์จะคุ้มครองปกป้องเขาให้สะอาดหมดเลยครับโอ้อลัลลอฮ์จะจงโปรดตัดสินเขาด้วยความเป็นจริงนะครับนบีจะจะขออุอาตอนนี้เมื่อไหร่มื่ตอนออกตอนออกสงครามตอนออกสงครามในนบีจะขออุอาประเภทนี้อลัลลอฮ์จะตัดสินทถอหน่อยคนที่มาต่อสู้กับฉันอลัลลอฮ์ทาลายก็ทําลายมาหมดแล้วล่ะ อ, อย่างกับ น, นบีมูซาก็ขอดูอาเหมือนกันละฟาโรตตายไหมตายครับนบีอิบรอฮีมถูกโยนใส่ไฟตายได้ไม่ตายไม่ตายอะนี่ไงโอ้อัลลอฮ์โปรดตัดสินคนดีให้อยู่ในทางที่รอดคนไม่ดีให้ถูกทํำลายไปดูอาของนบีทั้งหมดขอดูอาแบบนี้หลังจากทางานทํางานเหนื่อยแล้วจบแล้วไม่ได้ทิ้งอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ตัดสินนะครับ ตามความเป็นจริงต่อมาครับวารบูนอัลราะมานพระผู้อภิบาลของเราอลัอลอัล ร, ร, ราะมานผู้ทรงกรุณาปราณีอัลมุสตาอานผู้ทรงขอความผู้ถูกขอความช่วยเหลืออัลลอฮ์มีศิลัตอัลมุสตาอานผู้ถูกขอความช่วยเหลือหมายความว่ามุสลิมทุกคนนี่นะขอความช่วยเหลือจากอลัลลอฮ อาลามาต่อสิฟุน้นต่อสิ่งที่พวกท่านแอบอ้างต่อสิ่งที่พวกท่านแอบอ้างคือไม่เอาอ AH, ัลลอฮ์ปฏิเสธอัลลอฮ์นะครับเราเนี่ยขอต่ออัลลอฮ์ขณะที่คนอีกกลุ่มหนึ่งไม่เอาอัลลอฮ์สุบฮานา ห, หัวตาละ AH. อาย่านี้เป็นดวอาของท่านนาบีนโมฮัมหมัดหลังจากสอนศาสนาแล้วผู้คนไม่เอานาบีก็ไม่ได้ท้อใจให้อัลลอฮ์ดูแลช่วยเหลือต่อไป ให้อัลลอ์ได้ประทานความอดทนให้กับ น, นบีมาคำมั่อีกต่อไปเหมือนกับบอกเราที่อ่านกุรุอ่านวันนี้บางทีเราสอนลูกเราผมยะโทรศัพท์เยอะชันลูกชันแมวไม่ไหวเครียดอย่าอย่าทอ้อให้มันขอดูอาต่อไปให้สู้ยู่แล้วขอดูอาตอนลองอย่าทอ้อความอาญาเนี้อธิบายก่อนฟังอาญาเนี่ายานนะบีก็ไม่ทอ้อ น บ, บีขอทุงอาให้อลรอบโกรธประทายความอดทนให้กับตัวผู้ฉันด้วยเรามีลูกลูกไม่เอาศาสนาะก็มีอยู่คนหนึงอะ่ะแต่ครอบครัวยังมีห้าคนจะอละรอบสองมาคนนึงดูที่พ่อแม่มันจะรวมตัวกันยังไงต้องขอด้วยต้องขอทุกอาเยอะๆเลยเดี๋น้องอ่าลูกน บ, บีนวดมีป่าวมีป่าวที่ไม่ขึ้นเรือน่ะมีไหมอ่ะแล้วเป็นไงอะเสียใจน่ะแต่ท้อไหมไม่ท้อ ขออธิษฐานลอดฉะนั้นวันนี้ครอบครัวเราแล้วก็ต้องดูแลต้องละเอียดยิบเลยรอวอาต้องขออธิษฐาท้อแท้ได้ไหมไม่ได้ต้องอดทนไหมต้องอดทนและอดทนนี่มาจากไหนมาจากอาลัอลอลอฮฺอัลลอฮฺจะประทานคว บ, บัตให้กับฉันเยอะๆหน่อยบางทีอารมณ์ก็ขึ้นเหมือนกันอลัลลอฮฺจะประทานความอดทนให้กับฉันเยอะๆ พภรรยาฉันยังไม่คุมศีรษะก็มีลูกไม่เอาศาสนาก็มีทิ้งได้ไหมทิ้งไม่ได้เป็นหน้าที่จะต้องขอดูไลาตอลอดแล้วก็เตือนเขาอบรมเขาให้ความรู้แก่เขาเอาแล้วครับจบสุร์อัลอัมบีากี่ปีแล้วเนี่ยยี่สิบเอ็ดปียี่สิบเอ็ดสุรัตย์ยีบเสรัตน์่อนดยแม่นๆๆๆๆลละ้าวอาทิตย์หน้า สุรอะไรนะเราะต่อไปอะจฮจอัลล์อกมาสุรฮัจช่หไอชื่อสุรตั้งม่ใช่อุลามาตั้งนะใครตั้งนบีตั้งหมดและอายที่เรียงเรียงเนี่ยนบีเรียงนะไม่ใช่อุลามาเรียงนะอัลลอ์จับให้นบีเรียงงนี้งนี้ตนอัลลอฮ์ س ب อัลลอฮ์อัลลอัลลอฮ์